วันทิยาทิบุคลว่าด้วยบุคคลที่ไม่ควรไหวเป็นต้นเรื่องบุคคลที่ไม่ควรไหวสิบจำพวก ภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้สิบจำพวกเหล่านี้คือ 1. ผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้ผู้อุปสมบทภายหลัง 2. ไม่ควรไหว้อนุปสมบัต 3. ไม่ควรไหว้ภิกษุนานาสังวาสผู้มีพรรษาแก่กว่าเป็นอธรรมวาที สไม่ควรไหว้มาตุคาม 5. ไม่ควรไหว้บรันดอกหไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กําลังอยู่ปริวาท 7. ไม่ควรไหวภิกษุผู้ควรแก่การชักเข้าหาอาบัติเดิม 8. ไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรแก่มานัต เก้าไม่ควรไหว้ภิกษุผู้กำลังประพฤติมานัดสิบไม่ควรไหว้ภิกษุผู้ควรแก่อับพานภิกษุทั้งหลายบุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้สิบจำพวกเหล่านี้แล